สวัสดีครับพี่น้องครับนี่ือเสียงจากศรีบันครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าแล้วนะครับการถืออดตอนสุดท้ายครับตอนที่เจ็ดก่อนที่ผมจะแบ่งปันต่อไปนะครับผมต้องขอขอบคุณพระเจ้าและเครดิตกับอเอกสารหนังสือที่ผมได้ค้นคว้าเพื่อที่จะแบ่งปันกับพี่น้องนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า fasting what the bible teaches โดยเจอร์รี่แฟลเวลนะครับเขียนโดยเจอร์รี่แฟลเวลหนังสืเอเล่มนี้แปลเป็นภาษาไทยครับแปลเป็นาาไทยว่าถืออดอาหารตามคํำสอนของพระคัมภีร์จัดพิมพ์โดยสถาบัน CED นะครับสถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาครื่อจักนะครับอขอบขอณพระเจ้าที่หนังสืเอเล่มนี้ทําให้ผมเองนั้นมีความเข้าใจที่มากขึ้นถูกต้องยิ่งขึ้นและเห็นถึงความสําคัญของการถืออดครับ ผมอยากจะขอทบทวนนะครับว่าการถืออดนั้นเป็นศาสน ก, กิจสหนึ่งในสามที่สําคัญที่คริสเตียนเรานั้นควรจะมีนะครับอย่างแรกก็คือการอธิษฐานอย่างสองคือการอ่านพระคัมภีร์หรือสลับกันครับแต่อย่างที่สามนี่ครับคือการถืออดครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการออกจากการถืออดพี่น้องครับถ้าเราถืออดอาหารอย่างถูกต้องนะครับ เราจะเข้าสู่มิติของความมีสามรรถคิดรำฝ่ายยมยานพระเจ้าเริ่มเข้าสู่การ น, กน้ำมันการการสรรเสริญพระเจ้าขณะที่เราถือบทเราต้องอ่านต้องพิเพิ่มขึ้นเป็นสองสามเท่ามากกว่าปกติครับเราอธิษฐานใช้เวลากับพระองค์มากยิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะรู้น้มามันไยพระเจ้าเพื่อที่เราจะเคาะเพื่อที่เราจะหาเพื่อที่เราจะได้ทูลถามวิงวอนพระเจ้า และในขณะเดียวกั น, กนครับเราขอบพระคุณพระเจ้าในระหว่างที่เราถืออดนั้นเราจะมีการนมัสการพระเจ้าครับแต่ว่าหลายหคนเวลาเลิกถืออดนะครับก็มีคําถามว่าหลังจากออกจากการถืออดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเขานะครับเริ่มต้นที่ร่างกายก่อนครับสุขภาพก่อนครับหลายหคนนั้นเลิกถืออดนะครับก็คือท้องจะว่างครับ และก็จะมีความรู้สึกว่าหิวเหมือนกับที่ปีเชวบอกว่าพระองค์ทรงอยากพระกยอาหารนะครับในขอ้อมีบันทึกไว้เพราะฉะนั้นการเลิกถืออดอาหารจึงเป็นสิ่งที่สําคัญและคนหลายหลายคนนั้นต้ป่วยเพราะว่าฐานอาหารหลังจากการถืออดไม่เป็นร่างกายมนุษย์นั้นไม่สามารถรับกับสภาพนะครับของการถืออดที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ของระบบทางเดิอนอาหารครับ และเมื่อทางเดินอาหารกระทบนะครับมันก็กระทบกับทุกส่วนของร่างกายอยากจะแนะนําว่าเราควรจะเริ่มต้นที่จะหยุดการอดอาหารด้วยของเบาๆหรืออาหารอ่อนๆเช่นซุปนะครับหรือน้ําแกงครับจะอย่าไปกินเนื้ออย่าไปกินอาหารแข็งหรืออาหารที่ย่อยยากนะครับหรืออาหารบางประเภทที่ทําให้เราเกิดการเรียกว่ากระเพาะอาหารเนี่ยทางานไม่ค่อยสะดวกหรือไม่ค่อยดี เราจะรู้นะครับว่าเรากินอาหารบางอย่างอาหารทอดอาหารปิ้งหรืออาหารที่มีมันเยอะนะครับคืออาหารแข็งเช่นนะฮะเนื้อสัตว์ทำให้ท้องเราฟั่งกัวไม่สบายต้องนะครับอย่าไปแตะอาหารพวกนี้ตัวกับก่อนที่เราจะเลิกกิอาหารนะครับทีนี้เรามาดูนครับว่า พระกัมพีหรือคนในกมพีนั้นที่ออกจากการถืออดนั้นเขาทําอะไรบ้างพี่น้องครับขณะที่พระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนและเป็นที่มีความตายนั้นสาวกนั้นก็กลับไปประกอบอาชีพเหมือนเดิมเมื่อพระเยซูปรากฏตัวก่อสาวกที่ฝั่งทะเลพระเยซูก็สำแดงการอัศจรรย์ และพระองค์ก็บอกว่าให้พวกเขาปลาที่เขาจับได้เนี่ยมาปิ้งกินเถอดนะครับพวกเขารู้ว่าพระเยซูเป็นใครครับและพวกเขาก็ร่วมสามัคคีมำบนโต๊ะอาหารครับก็คือที่ลินของไฟและพวกเขาก็เริ่มเข้าใจว่าพระเยซูเป็นใครกันแน่ ในนั้นครัเราควรจะกลับมารับประทานอาหารนะครับด้วยค่าที่ที่ไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะหลังจากที่เราออกจากการอดแล้วเราได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับและเมื่อเราออกจากการอดนั้นเราจะกินและดื่มเพื่อถวายเกียรติพระเจ้ากินและดื่มกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามีสามาัคคีธรรมร่วมกันกันกบพระองค์เพราะฉะนั้นการออกจากการถืออดนั้นก็คือ เราจะมีสามาัคคีธรรมกับพระเยซูอย่างแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันครับเราก็จะมีสามาัคคีธรรมกับเพื่อนร่วมงานของเรากับพี่น้องของเรากับคนในครอบครัวของเราอย่างแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนไะครับเพราะว่าต่อไปนี้เราจะกินได้ดื่มแล้วนะครับเราจะทําเพื่อเป็นการถวายเกียรติพระเจา้านะครับ การอดอาหารนั้นไม่ได้ทําให้เรากลายเป็นคริสเตียนที่อยู่เหนือคนอื่นครับแต่เป็นคริสเตียนที่ต้องยิ่งผอมใจลงนะครับในการมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและสามัคคีธรรมกับคนอื่นๆนะครับประการต่อไปครับก็คือว่าออกจากการถืออดอาหารนะครับเราก็รับใช้พี่น้องครับเวลาที่พระเยซูได้ชินบัชนพวกสาวกของทงก็เสียใจใช่ไหมครับ แต่หลังจากเวลาที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นเหนยอความตายสาวกก็มีใจและเขามีความหวังขึ้นมาทันทีและจากสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยทําให้สาวกเขาได้ไปถึงการรับใช้พระเจ้ า, าการงวายตัวเพราะเหตุที่ว่าพระเยซูนั้นได้ตัดถามเป็ดตัวว่าเจ้ารักเราหรือเจ้ารักเราหรือเจ้ารักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้นี่หมายถึงถึงแหรครับเรือและอาชีพของเขาอนาคตของเขา จะดูตัดทั้มไปโตถึงความรักที่เขามีต่อพระองค์และความรักที่เขาบีบต่อพระองค์นั้นจะยิ่งใหญ่มากกว่าความรักตัวเองความรักที่จะต้องหาเลี้ยงชีพความรักที่จะตั้งความหวังอนาคตตัวเองด้วยวิธีการของตัวเองด้วยความคิดตัวเองด้วยความมุ่งหวังของตัวเองปรากฏว่าไปโตเลือกถูกครับไปโตตอบว่าไงครับไปโตตอบว่าพระสงทราบว่าทราบพระ รักพระองค์พี่น้องครับนั่นคือการเริ่มต้นชีวิตแห่งการรับใช้ขององค์พระเยสุองค์พระเยซูที่พรงวางไวใ้ให้กับเปโตรเดินครับด้วยความรักที่พระเยซูรักเปโตรและด้วยความรักที่เปโตรตอบสนองตอบพระเยซูนั้นทําให้ชีวิตของเขานั้นอยู่ในวิถีแห่งการรับใช้ พระเยซูสัดให้เปโตรบอกว่าจงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิดจงเลี้ยงแกะของเราเถิดนะครับนั่นก็คือการรับใช้ตลอดชีวิตของเปโตรจนกระทั่งถึงวันตายเพราะฉะนั้นข้อพิสูจน์ในการคืออดอาหารก็คือการอดอาหารนั้นเพิ่มพลังในการรับเชพเจ้าหลังจากที่เราออกจากการอดอาหารนะครับเราจะเป็นพยานฝ่ายพระเยซู จากผลของการถืออดอาหารเราจะเป็นพยานที่ดีขึ้นครับเราจะมีความเรียกว่าภาระใจหรือพันธะใจในการประกาศข่าวประเสริฐและพระกิตคุณเราจะกลายเป็นคนที่มีความสามารถในการเป็นพยานและเก็บเกี่ยวดวงอย่างครับเพราะฉนั้นต่อไปครับหลังจากถืออดอาหารนั้นจะนําไปสู่การสรรเสริญและการเฉลิมฉลองครับพี่นองครับ <c oughs> เราดูนะครับว่า เ ม, เมื่อพระเจ้าตอบคาอธิษฐานของคนคงจะต้องขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับหลังจากที่เราออกจากการดอาหารแล้วผมเชื่อแน่ว่าพวกเราจะมีความเชื่อความศรัทธาที่มากขึ้นแต่เมื่อเรามีความเชื่อความศรัทธาที่มากขึ้นนั่นเองครับนั่นแหละครับจะเป็นเหตุที่ทำให้เราตอบสนองด้วยการสรรเสริญและการขอบคุณนะครับชาวยูนะครั บ, รบเข้าใจดี ถึงการอดอาหารและการเฉลิมฉลองครับเพราะว่าเขาทําอย่างนี้มาเป็นเวลานานรับพันปีแต่ละปีชาวยูจะถือรักษาวันแห่งการไถ่บาปครับจะมีเสียงแปรส่งไปทั่วแผ่นดินในวันที่สิบของเดือนที่เจ็ดโอกาสนี้นะครับปุโปรโหิตจะได้เข้าไปในวิสุทธิสถานและทําการลบปนพิน <c oughs> สําหรับตัวเขาและสําหรับครอบครัวของเขาและสําหรับชุมนุมชนอิสราเอล สิ่งที่นีน้ในวันแห่งการไถ่าบาปหรืออัชนเมนส์เดย์นะครับก็คือการลบบนดินบาปของประชาชาติทั้งหลายประชาชาติขอโทษนะครับประชาชาติ ข, ของอิสราเอลนะครับในขณะที่ปรุรบิตทธาพิธีอธิษฐานวิงวอนลบบนดินบาปประชาชนก็ร่วมกับอนอาหารแต่หลังจากที่ได้เสร็จทิ้นแล้วนะครับเขาก็หยุดการคืออดนะครับก็คือเขาเฉลิมฉลองครับ และการหยุดการถืออดอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนยิวในวันรบบาปก็คือการฉลองปีจูเบลี่ครับปีจูเบลี่ก็คือปีที่ห้าสิบนะครับเป็นปีบริสุทธิ์และปีเฉลิมฉลองอิสราภาพนะครับคือเป็นโอกาสที่พระเจ้าได้ให้การเฉลิมฉลองความปิติความขึ้นพูนดีนะครับให้กับประชากรของพระองค์หลังจากที่เขาได้ <c oughs> อดบางสิ่งบางอย่างหลังจากที่เขาผ่านนะครับผ่าน พิธีวันไถ่บาปเรียบร้อยนครับสิ่งล่งนางนี้ครับที่ผมได้อธิบายแบ่งปันให้กับพี่น้องทำให้ตัวมเองได้รับการเสริมสร้างผมก็หวังว่าพี่น้องจะได้รับการเสริมสร้างเช่นเดียวกันนะครับผมอยากจะจบด้วยโ้ตรณนของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องนะครับกับการถือโอทอปในสวรรค์พงศสบบาวนาบทที่เจ็ดข้อสิบสี่ครับถ้าประชากรของเราซึ่ง เขาเรียกโดยชื่อของเรานั้นจะถ่มตัวลงและอธิษฐานและสแสวงหาหน้าของเราและหันเสียจากทางชั่วของเขาเราจะฟังจากสวรรค์และให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายเดียวบทที่หกสิบเก้าข้อสิบครับเมื่อข้าพระองค์ถ่มใจลงด้วยการอดอาหารมันจะเป็นการเยาะเยะ้ยข้าพระองค์ถาาว่าเราไม่ถ่มใจลงนะครับเราไม่เสียใจเราไม่สาภาพบาก า, ารอหานั้น ก็จะไปมีประโยชน์ครับโยเอลบทที่สองข้อสิบสองสิบสามครับพระเจ้าตรัสว่าถึงกระนั้นก็ดีจงหลายจงกลับมาหาเราเดี๋ยวนี้ด้วยความเต็มใจด้วยการอดอาหารด้วยการร้องไห้ด้วยการโอดโวนจงฉีกใจของเจ้าไม่ใช่ฉีกเชื้อผ้าของเจ้าจงหันกลับมาหาพระเยาว์วะพระเจ้าของท่านทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ชงขอบด้วยพระคุณและพระกรุณา ทรงเครียดช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงข้อสุดท้ายครับอิสยาห์บทที่ห้าสิบแปดข้อหกการอดอาหารอย่างนี้ไม่ใช่หรือที่เราต้องการคือการแก้พันธนะของความอากรรมการแก้ขายรัดแอดและการปล่อยให้ผู้ถูกบีบงังคับเป็นอิสระและการหักแตกเสียทุกอันพี่น้องครับนี่คือพระครมภีร์ที่ประทับใจมาก ขณะที่ผมได้มีโอกาสหานและค้นคว้าเพื่อที่จะมาแบ่งปันพี่น้องผมมีความปรารถนาที่จะให้พี่น้องได้มีโอกาสกออาหารด้วยกันเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าจะมาตั้งอยู่ในโลกนี้อาเมย